พึ่งพากันตั้งใจสำมรวมใจของตนให้ดีอย่าให้จิตฟุ้งซ่านไปทางอื่นเมื่อเราทุกคนได้ทราบซึ่งหลักธรรมในพระพุทธศาสานานี่ว่าเป็นนิยานิกธรรม นำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นทุกภัยไปได้จริงจริงเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรจะลังเลในใจควรจะพากันตั้งอกตั้งใจทำความเพียรไปให้นึกเสียว่า ถ้าไม่มีกิเลสตัณหาครอบนะงามจิตใจของคนเรานี่พระพุทธเจ้าก็ไม่มีในโลกพระธรรมคำสอนก็ไม่มีไม่ทราบว่าจะมาสอนอะไรใครนั่นแะขอให้คิดเห็นอย่างนี้เหตุที่จะมีพระธรรมคำสอนขึ้นมาก็เพราะว่าคนเราทั้งหลายนี่ มันมีกิเลสครอบงำจิตใจให้เป็นทุกข์เดืดร้อนอยู่ในโลกอันนี้และโลกอื่นและก็ไม่มีปัญญาที่จะละกิเลสตัณหานั้นได้ด้วยตนเองก <c oughs> ิเลสตัณหามันบังคับให้ทําดีทําชั่วอย่างไรก็ทําตามมันไปเมื่อมันให้ผลเป็นทุกข์โกรทนทุกข์ทรมานไป เมื่อมันให้ผลเป็นสุกก่อสบายไปชั่วระยะหนึ่งสลับกันไปอยู่อย่างนี้ชีวิตของคนธรรมดาสามัญที่ไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงก็เป็นอันว่าเมื่อยังไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงนี่ตราบใดก็จะพากันวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้ แลวเบียดเบียนกันอยู่อย่างนี้ <c oughs> หาความสุขความสงบไม่ได้เราก็รู้ก็เห็นกันอยู่นี่นี่แหลผลของกิเลสตัณหาที่บุคคลสะสมไว้ในใจมันก็ปรากฏให้เรารู้เราเห็นกันอยู่ <c oughs> มีการเบียดเบียนกันนี่แหละเป็นสกีรพยานนะ ออขอให้เข้าใจ เ, าเรื่องรักเรื่องใครนั่น <c oughs> มันเป็นบทบาทเบื้องตน้น <c oughs> ที่นี่เมื่อลงตอนปลายแล้วมันเป็นเรื่องเกลียดชังกันอิจฉากันเบียดเบียนกันแย่งซื้อแย่งขายกัน ยังหาความร่ำรวยกันเคยเป็นมิตรกันมาแต่ก่อนก็กลายเป็นศัตรูกันไปก็มี <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อมาคิดดูให้และอียดถี่ทวนแล้วบรรดากิเลสทั้งหลายมันก็มารวมลงอยู่ที่ พอษะพยาบาทนี er ้เองนะลองคิดดูสิผู้สนใจในธรรมะทั้งหลายนะก็เช่นอย่างว่าผู้ครองเรือนทั้งหลายนั้นขึ้นต้นก็มีความรักใคร่กันสนิทสนมกันยอมอยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์กันไป ทันเมื่อไปไปแล้วเกิดทำมาหาเลี่ยงชีพฝืดเครื่องเข้าอะไรอะไรก็ขาดตกบกพ่องแล้วจิตใจก็ไม่ดีเลยเกิดกระทบกระทั่งกันขึ้นแต่ก่อนนั้นเคยรักใครสนิทสนมกลมเกียวกันเต็มที่ภายหลังมาก็กลายเป็นศัตรูกันไปไออย่างนี้มีอยู่ท้อปฮะ มันดาคู่คัวตัวเมียทั้งหลายนะแต่ว่าบางคู่ก็มีความจงรักภักดีต่อกันเสมอต้นเสมอปลายไปจนตลอดชีวิตก็มีอเอาแน่นอนไม่ได้กิเลสของคนเรานี่นะอนอกจากวงแคบๆอย่างนี้แล้ว มันก็ยังขยายวงกว้างออกไปอีกต่างคนต่างหาต่างคนต่างขอนขไเแื้วก็ไปขัดผลประโยชน์ของกันและการเข้าวันนี้ก็ผูกอาฆาตกันจองเวรกันอใครดีก็ใครอยู่ใครไม่ดีก็ไป <c oughs> แต่เมื่อมีการติดต่อกันในระหว่างประเทศ อย่างนี้ก็เอาละเกิดขัดแย้งกันอะไรต่ออะไรขึ้นมาเมื่อกิเลสต่วนี้มันหนานแน่นขึ้นเต็มที่แล้วมันก็ลุกโพรงขึ้นมาเลยเหมือนอย่างไฟนะ่ะมันได้เชื้อมากๆเข้าไปแล้วมันก็ลุกโพรงเป็นเปลวขึ้นเกิดทำสงครามประหัดประหารซึ่งกันและกันให้ย่อยยับลงไปทั้งสองฝ่าย ในนี้เยเพราะฉะนั้นอยงว่าสรุปลงแล้วไอ้ความทุกข์ของคนเราในโรคอันนี้นะมันเป็นทุกข์เพราะการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่แหละเป็นส่วนมากเลยทีเดียวคนเรานี้ถ้าหากว่าไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วถึงแม้ว่าร่างกายนี้มันจะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันมี ช, ชำรุดทุดโทรมแตกดับไปเป็นธรรมดา แต่มันก็ยังพอประทังความทุกข์ได้แต่ถ้าหากว่าไปปล่อยให้กิเลสเหล่านี้เผาร้นจิตใจล้วประกอบกับร่างกายก็ไม่ยังยืนอีกด้วยมันก็ยิ่งเป็นทุกข์หลายเลยทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจแต่ถ้ า, าว่าบุคคลใดมาขาจัดกิเลส ด, ดังกล่าวโมนีออกจากขิดใจแล้วเตรียมอยู่ด้วยเมตตากรุณาธรรม ไม่คิดอิจฉาเบียดเบียนซึ่งกันและกันได้แล้วเมื่อก็เป็นทุกข์แต่ร่างกายแต่ส่วนจิตใจนั้นไม่ทุกข์ดังนั้นพระศาสดา จ, จึงได้ทรงเปล่งพระอุทานวันที่พระองค์เจ้าศัตรูแล้วใหม่ๆว่าอัพยาประชังสุขังโลเกปานาภูเตสุสัญยโม แปลว่าความสํารวมในสัตว์ทั้งหลายคือความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกดังนี้ <c oughs> นี่แสดงว่าเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงตัดสรุปแจ้งแทงตลอดสรพยยธรรมทั้งหลายในคำารู้แจ้งถึงพระนิพพานแล้วอย่างนี้ก็ทรงทบทวนดูว่า ทำอย่างไรคนเราถึงมีความสุขอันยอดเยี่ยมก็ทรงมองเห็นแล้วว่าความไม่เบียดเบียนกันนี่เนี่ยเป็นสุขในโลกหมายความว่าเมื่อ ย, ยังมีการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี่นะหากว่ามนุษย์เราไม่เบียดเบียนกันได้นั้นนะจะมีความสุขมากหมายความว่าอย่างนั้นที่นี่ก็ทรงเปลงกุญแจอีกตอนที่สองไปว่า สุขาวิราคตาโลเกกามานังสมติกะโ ม, มความสิ้นไปแห่งความกำหนัดคือร่วงกามเสียได้เป็นสุขในโลก<ม> <c oughs> อันนี้เดี๋ยวเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมที่นี้นะ<ม>ความสิ้นไปแห่งความกำหนัดยินดี นี่คือเป็นผู้ไม่ผัวพันอยู่ในกิเลสากามและวัตถุกามทั้งทางร่า ง, างกายและทางจิตใจในนี้ท้าวาเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยม <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นผู้ประพฤตริรมทั้งหลายก็ขอให้พากันเข้าใจความหมายแห่งพระพุทธภาสิทธิ์ที่พระองค์ทรงตรัสไว้นี้ ผู้ใดเข้าใจความหมายอย่างนี้แล้วถ้าเป็นคารืหัดนะก็ต้องลดละความเพลิดเพลินในการมคุณให้เบาบางลงไม่ควรที่จะไปหมกมุ่นเอาจนลืมหูหูลืมตาไม่ขึ้นเลยพยายามตัดทอนความรักความคลยอะไรให้มันเบาบางลงมันก็จะไม่ได้ผับพิชผิดสินข้อที่สาม ทีว่ากรรมเมสุมิชฌาจารย์ใครๆก็ย่อมรู้อยู่แล้ว <c oughs> ถ้าหาว่าไม่เห็นโทษแทงกามคุณที่เสียเลยมีแต่ส่งเสริมมันเรื่อยไปอย่างนี้มันมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะเลยไปประพฤติผิดมิชฉาจารย์กรรมดังกล่าวมานั้นก็เป็นนั้นว่าสร้างบาปอากศุศลให้เกิดขึ้นมีในตนด้วยร่วงสิ ข้ามบทข้อที่สามดังกล่าวมาก็จะได้เสวยทุกทนทรมานเพราะอำนาจแห่งความรักความใคร่นี่นเป็นมูลเหตุถ้ายินดีอยู่ในเฉพาะคู่รักคู่ใครของตนเท่านั้นมันก็ไม่ถึงกับเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้แหละ <c oughs> ถ้าเป็นนักบวช เช่นนี้นี่ต้องพยายามละความรักความใคร่อันนี้ให้มันเบาบางไปเรื่อยๆมุ่งเพื่อจะละความกาหนัดยินดีเหล่านี้ให้มันหมดสิ้นไปจา ก, กจิตใจ ย, ยงิงๆแม้ทางกายก็ไม่ไปเกี่ยวข้องทางวาจาก็ไม่ไปเกี่ยวข้องในเรื่องรักเรื่องใคร่ทางจิตใจก็พยายามห้ามพยายามสำรวม อยู่ทุกิุิธิบทมาให้กามวิตกพยาบาทวิตกวิงสาวิตกเหล่านี้เกิดขึ้นในใจ <c oughs> ไอ้ทั้งสามอย่างนี้ท่านเรียกว่าอากุศลวิตกถ้าพูถึงทำส่วนละเอียดเข้าไปแล้วนะท่านเรียก ว, ว่าเป็นอากุศลนะไม่ใช่ไม่เป็นอนะ ความวิตกในกามทั้งหลายนันคือถ้ า, าว่าพูดอย่างเป็นภาษาไทยเราตรงไปตรงมาแล้วก็หมายความว่าเป็นความคิดและเป็นความดำริของบุคคลผู้ไม่ฉลาดไม่มีปัญญาอย่างนี้ใดความชัตตีเลยแม้เป็นนักบวชถ้าหาว่ายังหลงไหลไปวิตกไปในกรรม กิเลสกรามวัตถุกรรมดังกล่าวมานั้นอยู่ก็แสดงว่าความฉลาดยังไม่พอความฉลาดที่จะมาสอนใจของตนให้เห็นโทษให้เบื่อไนในกรรมทั้งหลายเหล่านี้นะมันยังไม่เพียงพอเพราะนั้นต้องฝึกฝนจิตใจมันฉลาดขึ้นไปกวนนั้นคําว่ากุศลแปลว่าความฉลาดหรือแปลว่าตัดก็ได้อืม เรีว่าตัดกระแสของกิเลสของอารมณ์ต่างๆที่จะให้เกิดความรักความใคร่ความมิจฉาพยาบาทต่างๆวันนี้ให้ขาดออกไปจากกิจใจถ้าเราตัดกระแสอารมณ์เหล่านี้ขาดออกจากกิจใจได้นั่นนั่นแหละฉันเรียกว่ากุศลเป็นเอกขมวิตก วิตกทำอย่างไร ห, หนอจิตใจของเราหนี้ถึงจะพ้นไปจากกรรมจากความรักความไข่เหล่านี้นี่นะการวิตกอย่างนี้จนมองเห็นเหตุผลอได้โดยเฉมเช้งแล้วบรรเทาความรักความไข่ลงได้อันนี้ท่านเรียกว่าเนคข ม, มะวิตกอภยาบาทวิตกนั่นก็วิตกกว่า ทำย่างไรหนอเราถึงจะละความอิจชา้าเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้ทำย่างไรหนอเราถึงจะละความวิตกในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้ <c oughs> นี่มาพยายามดำรีตรีตองในใจอย่างนี้เสมอเสมอไปมันก็ย่อมมองเห็นช่องทางในการที่จะถอน ความวิตกต่างๆเหล่านี้ออกจากจิตใจได้คือโดยที่เรามาจเจริญเมตตาแทนมาวิตกถึงความสุขความทุกข์ของตนเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นเทียบเทียงกันไปหนังที่เคยแสดงมาแล้วหลายครั้งหลายหนเรื่องนี้นะ <c oughs> อันธรรมดาจิตใจนี่เมื่อเราน้อมนึกไปทางไหน มันก็เป็นไปในทางนั้นคุณธรรมอันนั้นมันก็เกิดขึ้นในดวงจิตของผู้นั้นอย่างนี้นะเพราะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงตรัสว่าทมทั้งหลายนั้นมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจนั่นทมทั้งหลายที่เป็นบุญเป็นบาปหรือไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปหรือพูดถึงความรักความชังอะไรตรา่างมวนี้ ถ้าว่าผูใ้ใดควบคุมจิตใจนี้ได้แล้วทำทั้งหลายเหล่านั้นจกไม่เกิดขึ้นในใจของผู้นั้นเลย <c oughs> เกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าใจไม่ปรุงไม่แต่งมันขึ้นอันนี้แหละให้พากันคิดกันพิจารณาดูให้ดีเดี๋ยวพูดไปพูดมาแล้ว มันไม่นอกเหนือไปจากจิตตวงเดียวนี้เลยฉะนั้นไม่ควรที่จะไปเข้าใจให้มันค่อยเขียให้ลำบากในการปฏิบัติธรรมนี่นะก็าพยายามฝึกสติสมัมปชัญญะนี่คนะวบคุมจิตตวงเดียวนี่นะให้มันตั้งมั่นอยู่อย่าให้มันวิตกไปในทางที่เล็ดสรรหาบาปประธรรมต่างๆ ด, งดังกล่าวมานั้นนะ เนี่ยมารักษาจิตตรงเดียวเท่านี้แล้วเป็นนั้นว่าเลยชื่อว่าเป็นการรักษาทั้งหมดเลยฮ ะ, ะเมื่อรักษาจิตตรงนี้ได้เท่านั้นแหละได้หมดเลยฮะบรรดาความชั่วทั้งหลายก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เลยทีนี้เมื่อความเชื่อความชั่วทั้งหลายเกิดขึ้นไม่ได้แล้ว ความดีมันก็เกิดขึ้นแทนแล้ววันนี้นะอ่ามันเป็นอย่างนั้นไอ้การที่ความดีมันจะเกิดขึ้นไม่ได้นั้นก็เพราะว่าใจมันชอบกับความชั่วอยู่ยึดเอาความชั่วเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้แล้วความดีเกิดไม่ได้เลยอ่าดัง <c oughs> นั้นเมื่อบุคคลมาลกความชั่ว ต, ต่างๆดังกล่าวมานั้นนะออกจากกิตใจังได้แล้ว ใจนี่เป็นอุเบกขาลงเมื่อใจเป็นอุเบกขาลงอย่างนี้นคิดอะไรนึกอะไรมันก็เป็นมันเป็นเรื่องที่เป็นความคิดที่ไม่มีโทษเลยมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นโดยส่วนเดียวเลยอันมันจะไปคิดอิจฉาบเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็ดีอมันจะไปคิดรักใข้ผูกพัน กับบุคคลอื่นล่าจัดอื่นและสิ่งอื่นๆมันไม่ไม่เป็นไปมันจะไม่วิตกไปอย่างนั้นเลยเมื่อสามารถทำใจเป็นกลางได้นะ <c oughs> อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนะ <c oughs> <c oughs> ก็อย่าพากันไปลังเลใจว่าเราภาวนานี่ไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรเลย บางคนก็วิตกอย่างนั้นเข้าใจว่าตนเง้นภาวนาไม่เป็น <c oughs> ก็เลยท้อใจอันอย่างนี้นะไม่ควรที่จะไปเข้าใจอย่างนั้นการภาวนามันก็มีสองแบบนะที่เคยพูดให้ฟังมาแล้วแบบหนึ่งนั้นแหละว่าพยายามเพ่งช้านให้เกิดขึ้น นั่นแหละเพ่งให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาพูดอย่างแจง้งตรงแจ้งนะถ้าไม่มีความสามารถที่จะเพ่งให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาได้อย่างนั้นเราก็เพ่งดูลมหายใจเข้าออกกับความรู้อันนี้เท่านั้นแหละอหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ รู้ว่าจิตของตนตั้งมั่นอยู่ด้ยดีไม่วอกเวกไปทางอื่นนี่นะการรู้อย่างนี้เระเรียกว่ารู้ธรรมออรู้ธรรมมันเป็นกุศลเพราะว่าใจนี้เมื่อตั้งมั่นอยู่เป็นกลางอยู่แล้วนะมันก็เป็นกุศลเนี่ยเป็นความฉลาดของจิตคือว่าจิตเบื่อหน่ายในอารมณ์ต่างๆภายนอกนั่นแล้ว เพราะว่าเรื่องภายนอกนี่มีแต่เรื่องยุ่งเหยิงถ้าว่าใครส่งจิตไปยึดถือเข้ามากเข้าไปแล้วก็ทําจิตผู้นั้นให้วุ่นวายไม่รู้จักสงบระงับไปเลยนี่ถ้ <c oughs> าผูใ้ใดทําจิตนี้สงบลงไปได้เกืผู้นั้นแหละเขาได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้ควาเพนบุญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตของตนถึงแม้ว่าจะไม่ มีปัญญาสามารถรู้อดีตรู้อนาคตต่งางๆนานาได้ก็ตามเพียงจะมารู้แจ้งในปัจจุบันนี้นะเห็นปัจจุบันนี้ว่าจิตของตอนไนม่ยึดมั่นถือมันอะไรละเสียแล้วปล่อยวางแล้วบรรดาอารมณ์ที่เป็นอดีตก็ดีเป็นอนาคตก็ดี อย่างนี้ไม่ได้ถือมั่นไว้ในใจเลยอย่างนี้มารู้จิตตัวเองันเป็นปัจจุบันนี้ว่าไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นดังกล่าวมานั้นแลลวแม้ปัจจุบันนี้ก็ไม่ยึดไม่ถือไม่ยึดเอาความสุขไม่ยึดเอาความทุกขมาเป็นตัวตนมาเป็นอารมณ์เพราะว่าในร่างกายอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน ประเดีก็เป็นสุขประเดี๋ก็เป็นทุกข์มันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างนี้เพราะนั้นเราจะไปสําคัญลงไปว่าอาเมือม่อเมื่อทําใจให้สงบลงไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสงบหมดมันจะไม่แปลปวนมันจะมีแต่ความสุขโดยส่วนเดียวถ้าหาว่าไม่เป็นไปดังที่ กำหนดไว้อย่างนั้นแล้วก็เลยถือว่าตนภาวนาไม่เป็นไอ้อย่างนี้เนะี่ยมันเข้าใจผิดไปทางที่ถูกแท้ๆแล้วก็เมื่อเราน้อมใจลงสู่ความสงบและอารมณ์ภายนอกต่างๆได้เมื่ออารมณ์ภายนอกดับไปจากกิจใจแล้วบัดนี้ก็มากาหนดรู้อารมณ์ภายใน คือว่ารู้เรื่องของร่างกายนี่นะบางทีร่างกายนี่มันไม่ปกติมันก็ต้องเกิดทุกขเวทนาขึ้นเจ็บโน้นปวดนี่ร้อนมากเย็นมากอะไรต่ออะไรต่างๆมันถ้าปรากฏอยู่ภายในนี่ก็มาเพ่งดูภายในนี้อีกทีหนึ่งเพ่งดูจนรู้เท่าตามเป็นจริงว่าขันทังห้านี่มันเป็นทุกข เป็นสิ่งที่ละไม่ได้เมื่อขันห้านี่ยังมีตราบยังมีอยู่ตราบใดไอ้ความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นสุขนี้ก็ย่อมมีอยู่ตราบนั้นพระศาสดาไม่ได้ทรงสอนให้ละทุกข์ทรงสอนให้ละต้นเหตุให้เกิดทุกข์ต่างหากก็ให้ทําความเข้าใจอย่างนี้ละอย่างไรละเหตุแห่งทุกข์ก็ละความเห็น ที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงนั่นแหละเช่นละความเห็นที่ว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่นะนี่แหละละความเห็นอันนี้ออกจากจิตใจเสียอ่าเมื่อความเห็นอันนี้ดับไปความเห็นจริงเห็นแจ้งทำเป็นจริงก็เกิดขึ้นมาแทนคือเห็นว่าร่างกายทั้งสองประเภทนี่น่ะ คือประเภทที่เป็นนามธรรมาก็ดีประเภทที่เป็นรูปธรรมก็ดีทั้งสองประเภทนี้ล้วนแต่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาทั้งนั้นมันเป็นสภาวธรรมสภาวธาตุอันหนึ่งหนึ่งอาศัยกันดุอยู่เพราะว่ามีอาศัยเหตุปัจจัยมาตกแต่งให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยนั้นแล้วรูปนามอันนี้ก็แตกดับไป ไม่ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับของผู้ใดเลยผู้ใดไม่สามารถจะบังคับนามรูปนี้ให้เป็นไปตามใจหวงังใดนี่เมื่อมาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งในขันห้าตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วเมื่อเวลาขันห้านี่มันวิบัติแปลปวนไปเจ็บตรงโน่นปวดตรงนี้แปลปวนก็อ่า วันไหวไปมาอย่างรุนแรงเช่นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างรุนแรงอย่างนี้นะเออเราก็อดกั้นทนทานเท่านั้นเดะไม่ใช่ว่าผู้รู้ทำเห็นทำแล้วมันจะไม่มีทุกข์เลยเร่างกายนี่จะแปลปวนอย่างไรมันก็ไม่รู้สึกทุกข์เลยอย่างนี้ไม่ใช่รู้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านอดกั้นทนทานได้ท่านไม่วันไหว นี่นะความสําคัญอยู่ตรงนี้ตีตรงกันข้ามกับผู้ไม่รู้อ่ะผู้ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณามาแต่ก่อนเมื่อร่างกายสังขารนี่มันวิบัติแปรปรวนไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนกลัวตายก็กลัวสู้อํานาจแห่งทุกขเวทนาก็ไม่ไหวจิตใจก็อ่อนแอเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยแสดงอาการกระวนกวายขึ้นมา อร้องให้คล่ำควญต่งางๆนั้นานะไปหมดนี้นะเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้มันมีเครื่องเทียบได้อยู่นะสําหรับในระหว่างจิตใจที่มีความรู้ความฉลาดและกับจิตใจที่ไม่รู้ไม่ฉลาดมันย่อมมีลักษณะอาการต่างกันอย่างนี้นะนั่นแหละท่านถือเอาว่าท่านผู้ใด เมื่อภัยพิบัติเข็งร่างกายมาถึงอย่างนี้แล้วท่านไม่แสดงอาการทุรนทุรายบนพิไลําพันธ์ต่างๆนานาเอ่อมีปกติอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาต่างๆได้ท่านถือว่าท่านผู้นั้นแหละเป็นผู้ไม่มีทุกข์อยู่ในใจใจของท่านอยู่เหนือทุกขมันถึงไม่หวั่นไหวเออให้เข้าใจอย่างนั้น ผู้ใดยังวันไหวต่อทุกขเวทนาต่างๆหมูลนี้หรือแสดงออกซึ่งความเสียใจเศร้าโศกหรือสะดุ้งหวาดกลัวออกมาให้ปรากฏในภายนอกอย่างนี้นะนี่แสดงว่าท่านผู้นั้นมีความทุกข์ทั้งทางกายและทางคิดใจมันมีเครื่องเทียบกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะก็ขอให้พากัน เอ่อเข้าใจอย่างนี้อย่าให้อย่าเข้าใจค่อยเข๋ไปอย่าเข้าใจไปว่าอ่าเมื่อรู้แจ้งแล้วอย่างนี้มันก็ต้องไม่มีทุกข์ที่มันต้องไม่รู้สึกทุกข์ในทางจิตใจอ่มันมีแต่ร่างกายมันแปรปรวนไปทางหากักจิตไม่รู้จากว่าเป็นทุกข์เป็นอ่ร้อนอะไรเลยอย่างนี้ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้ไม่ถูกไอ้จิตที่ไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์เสียเลยนั่นน่ะได้แก่จิตที่เข้าสู่นิโรธสมาบัติได้ท่านผู้เข้าสู่นิโรธสมาบัติได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหละถ้าไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์ทางกายนี่เลยเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติมาแล้ว มันก็มาสัมผัสกับความทุกข์อยู่ตามเดิมนั่นเองแต่เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทก็จะได้ประสบความสุขความเจริญดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้